พึงพากันตั้งใจสำมรวมใจของตนให้ดีใจดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแก่นแห่งชีวิตจะเป็นทุกขก็จิตดวงนี้จะเป็นทุกข์ก็จิตดวงนี้ถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้ว ทุกทุกก็ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นเละเพราะไม่มีผู้รับรู้เหตุที่มันมีนั้นมีนี้ก็เพราะมันมีผู้รับรู้ใน้เข้าใจผู้รับรู้อันนี้แหละเมื่อมันไม่ฉลาด มันก็เลยติดมันก็คล้องอยู่ในสิ่งที่มันรับรู้นั้นมันก็มีเท่านี้แหละถ้าย่นเข้าให้สั้นเข้ามาจริงๆริงเนะ่อันชีวิตของมนุษย์เรานี่นะดังนั้นในฝากันสังเกตดูเพ่งดูให้รู้ให้เข้าใจ ถ้าหากว่ายังหลงสิ่งที่รับรู้ต่างๆอยู่มันก็ต้องเป็นปุ๊บอยู่อย่างนี้แหละเพราะสิ่งที่รับรู้โมนั้นอนะ่ะมันก่อให้เกิดความเสียใจความดีใจความทุกข์ความโทมนัสความขับแค้น หรือความโกรธความหลงความมัวเมาต่างๆหมนี่มันเมื่อมันมาผสมกับดวงจิตแล้วจิตที่ไม่รู้ไม่ฉลาดมันก็เกิดเป็นกิเลสขึ้นดังกล่าวมาแล้วนั่นแนะให้พากันเข้าใจ ให้พา ก, กันเพ่งพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองเมื่อผู้ใดรู้เห็นด้วยตนเองอันนี้มันก็ไม่ลืมจิตใจดวงนี้ก็หมายควาว่าไม่ลืมตัวเองนั่นแหละก็คําว่าไม่ลืมจิตใจนะตอนอยู่ที่ไหนก็อยู่ กับจิตดวงเดียวไปที่นี่ก็ไปกับจิตดวงเดียวนี่แหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็วเตือนจิตไม่ให้ยึดถือในสิ่งต่างๆก็ไม่มีอะไรสิ่งต่างๆในที่นี้ก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆ ที่น่าพอใจบ้างที่ไม่น่าพอใจบ้างเนี่ยมันก็มีเท่านี้แหละในโลกสันิวัตอันนี้นะหรือถ้าจะว่าอีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่วิญญาณความรู้แจ้งในอารมณ์ทั้งห้านั้นอันนี้มันก็ออกมาจากกิจนั่นเองวิญญาณนี่ก็ดีมันเป็น กระแสของจิตมันพุ่งออกมาอาศัยอยู่กับตากับหูกับจมูกกับปล้นกับกายอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งมวลมันก็ออกมาจากจิตนั่นเองวิญญาณเหล่านี้สัญญาก็เหมือนการสังขารคือสภาพปรุงแต่งจิตใจคิดดีคิดชั่ว คิดไม่ดีไม่ชัว่วทั้งต่างโมเนี้ยมันก็รวนแต่ออกมาจากจิตนั้นแหละทั้งหมด้าเหตุที่จะมีนามธรรมอันนี้ได้ก็เพราะมันมีรูปเป็นที่สัมผัสกับดวงจิตนี้เมื่อมีรูปขึ้นมาแล้วจิตอาศัยในรูปนี้เข้าไปแล้วก็ เกิดความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกอันนี้มันจะสม่ำเสมอไม่ได้เพราะเหตุว่ารูปอันนี้มันไม่เที่ยงเมื่อรูปนี้ไม่เที่ยงมันรูปนี้มันมวิบัติแปรปวนกระทบกับความรู้สึกอันนี้ความรู้สึกอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ท่านเรียกว่าทุกขเวทนาแปล ว, ว่าจิตสเสวยอารมณ์อันเป็นทุกข์เมื่อธาตุร่างกายอันนี้เป็นปกติสัมผัสกับจิตก็มีเกิดความรู้สึกเป็นปกติอยู่ mm. ท่านก็เรียกว่าสุขเวทนา แปลว่าจิตสเสวยอารมณ์อันเป็นสุขเช่นอย่างว่ารับประทานอาหารยิมใหม่ๆเนี่ยก็รู้สึกว่าสบายทางกายทางใจไม่หิวห้ยนอนหลับสนิทไปแล้วตื่นขึ้นมาหายง่วงอ่าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสุขสบายหายง่ว ง, งเหงาหาวนอน อันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าสุ ข, ขเวทนานนความที่ธาตุขันร่างกายนี่เป็นปกติอยู่ตามธรรมดาของมันแล้วจิตก็รู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ท่นก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนา ก็ให้พากันสังเกตดูลักษณะอาการของกระแสะจิตนี่ที่มันแสดงออกมาสู่ร่างกายแล้วก็แสดงออกมาภายนอกนด่แก่กิริยาอาการของกายที่เคลื่อนไหวไปมานี่เนี่ยมัน อาศัยดวงจิตดวงเดียวนี่แหละแต่มันก็แพ่กระแสของตนออกมาอย่างที่ว่านั่นแหละแล้วก็มาหลงทีเนี่ยหลงกระแสจิตหรือว่าถ้าพูดตามหลกักธรรมกลเวหลงน้ำมาทำหลงทมอันไม่มีชื่ออันอันมีแต่ชื่อ แต่ไม่มีลูกรัรงควรศึกษาควรเพ่งพิจณาให้รู้ให้เข้าใจในานมามธรรมนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนจึงจะไม่หลงคนเรามันหลงความคิดของตัวเองถ้าหลงมากๆเข้าก็กลายเป็นวิป ร, รารช สำคัญว่าสิ่งที่ตนรับรู้หรือว่าเห็นหรือว่าจำหมายเอาไว้นะั่นเป็นความจริงนึ ก, กว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็จิตเลยตรงจิตไปตามภาพต่างๆที่ปรากฏในใจทั้งปรากฏอยู่ภายในบ้างปรากฏอยู่ภายนอกบ้าง นี่แหละการที่ผู้ภาวนาอันมันจะเกิดวิปลาสขึ้นมาได้ก็เพราะมันหลงนามธรรมคือจิตนี่หลงอาการของตัวเองพูงง่ายๆดังนั้นวิธีแก้ก็คือให้ทวนกระแสจิตเข้ามาสู่ปัจจุบันไม่คิดไม่สงสายออกไปข้างนอก แม้จะมีภาพอะไรปรากฏอยู่ก็ไม่เชื่ออันนั้นไม่จริงไม่ใช่ธรรมของจริงอย่างนี้นะแต่จึงทวนความคิดความหมายความจาต่างๆเข้ามาหาความรู้สึกอันเดียวเท่านี้มาเพ่งความรู้อันนี้อยู่ในปัจจุบันนี้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ ก็ให้รู้ว่าอารมณ์ทั้งหลายมันเกิดจากกิจนี้แล้วมันก็ดับไปอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆอารมณ์ที่ให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอบให้เกิดความขับแค้นใจต่างๆหมดนี้มันก็เกิดจากความรู้สึกอันเดียวนี่แหละแบบนี้เมื่อ บุคคลมาทวนกระแสจิตเข้ามาเอาสติสมบัชญชนะมารวมไว้กอบกับความรู้สึกอันเดียวนี้เท่านั้นแล้วความรู้สึกคือดวงจิตนี่มันก็หยุดนิ่งได้เลยเหมือนอย่างโซโฟเฟอร์ขับรถพอเหยียบเบรกเท่านั้น รถก็หยุดกึกเลยไม่ไปนชนท้ายเพื่อนถ้าโซเฟอร์เผลอนึกไม่ได้เช่นนี้เราไม่เหยียบเบรกรถมันก็วิง่งไปชนเอาท้ายรถของผู้อื่นก็เสียหายอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละผู้ใดห้ามจิตตัวเองไม่เป็น ไม่รู้จักทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันเมื่อเวลามีเหตุอะไรกระทบมามันก็ยับยั้งใจไม่ได้ก็เกิดความโกรธความเสียใจความขุนเคืองใจขึ้นมาก็เป็นเหตุให้แสดงกิริยาการกายวาจากระทบกระทั่งกับผู้อื่น โดยสำคัญว่าเขาว่าให้เราเขาด่าเราเขาเสียดสีเราเขาเบียดเบียนเรา อ, อย่างโน้นอย่างนี้ไปนี่แหละความเข้าใจความรู้สึกในขณะนั้นอะไรก็เป็นเราทั้งนั้นเลยเขาทั้งนั้นนี่มันจึงได้เกิดกิเลส ข, ขึ้นมาดังกล่าวมาแล้วนั้น ดังนั้นเราต้องทวนกระแสะจิตเข้ามาในเมื่อภาวนาอยู่เวลาปกติไม่มีเหตุอะไรกระทบก็มันทวนกระแสะจิตเข้ามามันเอาสติระลึกเข้ามาประคองจิตนี้ไว้ห้ามจิตนี้ในเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามา ห้ามจิตนี้ให้ท่านอย่าปล่อยจิตให้พุ่งไปตามอารมณ์นั้นนั้นก่อนอต้องฝึกหัดจิตใจของตนให้เป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าหัดทำใจให้ตั้งมั่นให้ส ง, งบระ ง, งับนี่ถ้าก็ไม่รู้จักห้าม กิบได้อย่างว่านี่ละไมัใชะทำจิตให้สงบไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสะสมเอาอารมณ์ต่างๆไวใ้ในใจมากมายพอไปนั่งสมาธิเข้ามันก็วิตกวิจาร์ไปตั้งแต่อารมณ์ที่ตนยึดถือเอาไว้ในอดีตที่ล่วงแล้วมามันเลยสงบลงไม่ได้ ทีนี้เมื่อบุคคลใดเป็นผู้รักษาจิตตรงนี้อยู่เสมอมันระลึกเข้าไปดูจิตใจอันนี้เสมอไปอยู่เห็นใจเป็นปกติอยู่เมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมาสติมันก็วิ่งเข้าไปควบคุมจิตทันทีไม่ทันให้จิตนั้น พุ่งซ่านไปตามอารมณ์นั้นนั้นเนี่ยการฝึกสำรวมจิตรักษาจิตนะให้เข้าใจแต่ถ้าหากว่าเวลาปกติไม่น้อมสติระลึกเข้าไปหาจิตนั้นไม่ไปกลว ด, ดูจิตจิตใจตัวเป็นอยู่อย่างไรคิดอย่างไรก็ไม่รู้เวลามีเหตุไม่ดีกระทบเข้ามา มันก็พุ่งไปเลยะมันก็วันไว้ไปเลยเพราะไม่มีสติไปยับยั้งไม่ฝึกสติไว้แต่เนิ่นเนื่นให้พากันเข้าใจดั น, นั้นเราต้องฝึกสติไปเรื่อยๆคอยระวังแต่เหตุต่างๆมันจะกระทบกระทั่งเข้ามามันจะก่อให้เกิดความ ยินดียินร้ายความเสียใจความโกรธต่างๆหรือความรักความใคร้ต่างๆมูนี้นะเราต้องระ ม, มัดระวังเสมอเสมอไปถ้ามีสติความระวังอยู่อย่างนี้นจิตใจมันก็เป็นปกติอยู่ได้ในเวลามีเรื่องมีอารมณ์อะไรกระทบเข้ามามันก็ห้ามจิตใจห้ามไม่ให้ยินดียินร้าย ไปตามอารมณ์เหล่านั้นอจิตก็เป็นปกติอยู่ได้วะนี่มันเป็นอย่า ง, ง น, านั้นนี่หลยให้พากันรักษาเอาจิตดวงเดียวนี้ให้ได้อย่าประมาทมาเราทําคุณงามความดีอะไรก็เพื่อให้จิตดวงนี้มีความสุขความสบายเพราะจิตนี้จําเป็นสุขสบายได้ก็เพราะอาศัย การกระทำคุณงามความดีหรือว่ากระทำบุญทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น <Yeah. S 1> เมื่อเมื่อเราทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปแล้วมานั่งพิจารณาดูก็ดีใจเพ oh. ื่มใจว่าการกระทำของเรานะมันเป็นประโยชน์ oh. แก่ตนด้วยเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย เมื่อพี่นาเห็นอย่างนี้ก็ดีใจใจก็เบิกบานอันนี้เนี่ยที่ว่าการทําความดีเนี่ยออทําให้จิตใจเป็นสุขสบายถ้าบุคคลไม่กระทาความดีจิตใจก็ห่อเหี่ยวแล้วมันก็หมุนไปทําความชั่วอมันเป็นอย่างนี้จิตใจนี่จะให้มันว่างๆอยู่เฉย ตลอดเวลาไปนั้นไม่ได้เลยไม่ได้ให้เข้าใจดังนั้นเราจึงต้องนึกถึงความดีเข้าไว้ในอนุสติสิบที่พระพุทธเจ้าสอนให้ว่าเป็นอารมณ์ที่ควรระลึกหมูนั้นนะนั่นแหละก็เป็นอารมณ์ที่เมื่อระลึกถึงแล้วทำให้จิตใจเบิกบานผ่องแผ้ว ไม่ตกไปในทางบาปอากุศลเช่นะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อย่างนี้นะก็เราเคารพนับถืออยู่แล้วพระคุณเั้งสามนี่นะแต่ถ้าเราไม่ะระลึกถึงก็ไม่ได้ความปลื้มใจไม่ได้ปีติมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อเราะระลึ ก, กว่าโอ้พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ เป็นผู้วิเศษเพราะพระองค์สร้างบา ร, รมีมามากจนเต็มบริบูรณ์อาศัยอำนาจบุญบา ร, รมีที่พระองค์สร้างมานั้นกำจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์พระองค์จึงเป็นผู้วิเศษเป็นที่เคารพนับถือของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายถ้าหากว่าพระองค์ ละกิเลสไม่ได้อย่างนี้พระองค์ก็ไม่เป็นผู้วิเศษเพราะว่ามนุษย์เทวดาทั้งหลายนี่ก็ยังละกิเลสไม่หมดถ้าพระองค์ละกิเลสไม่ไม่ได้ไม่หมดก็ไม่แตกต่างไปจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่ให้ทำความเข้าใจอย่างนี้เมื่อพระองค์ละกิเลสขาดจากพระคันธสันดานแล้ว โลกกระททั้งแปดมากระทบกระทั่งพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวไปตามเลยจะมีลาบพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวไม่หลงไหลยินดีในลาบจะเสื่อมลาบไปพระองค์ก็ไม่เสียใจจะมียศมีคนยกย่องพระองค์ว่าเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็ดี หรือเป็นพระพิชิตตมานแปลว่าผู้ชนะมานแล้วอันพระคุณนามเหล่านี้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายยกย่องก็เลยปรากฏมาในพุทธศาสนาจนทุกวันนี้แหละพระส พ, พัญญูอย่างนี้นะแปลว่าผู้รู้แจ้งในสัพเพเยยายธรรมทั้งหลายพระบรมศาสดา แปลว่าพระผู้เป็นครูเป็นศาสดาแนะนาสั่งสอนมนุษย์และเทวดาทาั้งหลายอย่างยิ่งบรมแปลว่าอย่างยิ่งนี่แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าพระผู้ตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนาสั่งสอนเลย พระ อ, องค์ภาะเพียนพยายามค้นหาทางพระนิพพานด้วยพระ อ, องค์เองโดยอาศัยบุญบรารมีที่สังสมมาแต่อเนกขะชกะชาติมาชี้หนทางให้อย่างนี้ดังนั้นแหละมนุษย์และเทวดาผู้มีปัญญาทั้งหลาย จึงเคารพนับถือพระองค์เป็นอย่างยิ่งเมื่อนับถือพระองค์เป็นที่พึ่งแล้วก็ต้องนับถือพระธรรมคําสอนด้วยเพราะพระธรรมนั้นออกมาจากพระไทยอันบริสุทธิ์พุทธพ่องทรงแสดงว่าเรื่องนี้เป็นบาปผู้ใดลงมือทําไปก็ได้บาปจริงๆได้รับทุกข์เป็นผลจริงทรงแสดงว่าสิ่งนี้เป็นบุญกุศล ควรบำเพ็ญได้เกิดให้มีผู้ใดบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนบุญกุศลก็อำนวยผลให้เป็นสุขจิตสุขใจสุขกายจริงๆทรงสแสดงว่านี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่มักมีองค์แปกประการมีความเห็นชอบเป็นเบื้องต้นและมีความตั้งใจชอบเป็นที่สุด ดังที่รู้รู้กันมาแล้วนั้นไอ้นี่เราก็เชื่อมั่นในใจว่ามัคอันมีองแปดประการนี่พระศาสดาทรงบำเพ็ญมาแล้วจริงแล้วพระองค์เอาชนะกิเลสสมานนยใหญ่ทั้งหลายก็ด้วยอริยมัคนี้เองดังนี้เราจึงได้เลื่อมใสใน พระธรรมคุณนี่เป็นอย่างยิ่งในสำหรับท่านผู้มีปัญญานะ น, นี่เพราะว่าพระธรรมคุณนี่เมื่อผูใ้ใดสร้างบํมเพนให้เกิดมีขึ้นในจิตใจแล้วก็จะกำจัดกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปอย่างที่ว่ามานัเ น, นี่ยถึงแม้ว่าตนจะยังละอาสวะกิเลส ให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้ในขณะนี้แต่ก็ให้สังเกตดูว่าเมื่อตนปฏิบัติถูกทางเช่นทำใจให้สงบระ ง, งับไปได้ด้วยดีแล้วตนก็มีปัญญาพิจารณาเห็นสังขาร น, นามรูปอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอจึงบรรเทาราคะโทสะโมหะลงได้ ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่ก็จะบรรเทากิเลสดังกล่ามานี้ให้เบาบางไม่ได้เลยพี่นาเห็นอย่างนี้คือจริงในเคารพต่อพระธรรมเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นหนังสือเกี่ยวกับธรรมะวินยัยอย่างนี้จะไม่วางไว้ที่ต่ำเลยวันนี้ จะวางไว้ที่สูงถ้าเก็บนะอย่างนี้จะไม่ข้ามจะไม่เยียบพระธรรมวินัยแม้เป็นเศษกระดาษถ้ารู้ว่าเป็นคำสอนของพระเจ้าแล้วก็วจะต้องเก็บไว้ที่สูงหรือไม่ฉะนั้นก็จุดไฟเป็นการประชุมเพลิงไปเลยให้หมดไปเสีย ก็อย่างนี้แหละชื่นเลียงว่าเคารพต่อพระธรรมอวันนี้พระธรรมเหล่านี้น่ะเราได้มาจากไหนก็ได้มาจากพระสงฆ์สาวก ข, ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ทรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยคำสองพุทธเจ้าแล้วถ่ายทอดต่อๆกันมาตั้งแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริยพานมาแล้วพระ สงสาวกทั้งหลายท่านก็สั่งสอนคุณระบุผู้บวชมาในภายหลังให้เรียนให้จำเอาพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สอนสืบต่อกันมาไม่ใช่สอนให้จำอย่างเดีย ว, วนี่สอนให้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามด้วยผู้มีบุญวัสนาบา ร, รมีเมื่อได้ปฏิบัติตาม แลื่อทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย่อมเห็นผลเพื่อด้วยตนเองแตแล้วก็จึงได้เห็นคุณแห่งพระสง์แบบนี้นะโอ้ถ้าไม่มีพระสงค์สืบคำทอดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็จะไม่ได้รู้ธรรมรู้วินยัยไม่รู้จักบาปุนคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ หรือประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเราก็จะไม่รู้เลยนี่เพราะ อ, อาศัยพระสงฆ์สาวกท่านเป็นผู้สืบทอดมาดังนั้นเมื่อระพีนาเห็นอย่างนี้จึงในเคารพในพระสงฆ์ไห้เข้าใจอย่างนั้นแม้ในปัจจุบันนี้ก็ดีท่านที่บวชก่อนเราท่านก็ได้ศึกษาธรรมวินัย ระเบียบข้อปฏิบัติกรท่านรู้ท่านดำเนินตามมาแล้วก็เห็นผลโดยตนเองมาพอสมควรจรึงได้มั่นคงมาในพุทธศาสนานี้นี่ผู้ที่บวชเข้ามาทีหลังเมื่อมาพิจารณาเห็นว่าเออเราที่จะได้บวชมานี่นะ เพราะอาศัยท่านที่บวชมาก่อนแล้วท่านฝึกปรือให้รู้จั ก, กระเบียบของการบวชให้ท่องให้เรียนให้จำเอาคำบวชได้ให้รู้จักข้อวัดปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งการบรรพชาอุปสมบทท่านเหล่านี้ได้ชื่อว่ามีคุณต่อเราเป็นอย่างมาก เราควรเคารพนับถืออีกอย่างหนึ่งแม่พระที่บวชก่อนเราไม่ได้สั่งสอนอะไรก็มีบางท่านแต่ว่าเมื่อเราบวชเข้าไปในโบสถ์นะเมื่อเราไปเข้าไปในโบสถ์ไปบวชขอบวชกับสงฆ์ น, นั่นแหละ พระสงฆ์นับเต็ดสิบรูปขึ้นไปนั่งหัตถบัตก็จึงบวชได้ถ้าพระสงฆ์ไม่ครบคณะบวชไม่ได้เลยนี่แสดงว่าพระสงฆ์น่ะท่านก็มีส่วนช่วยให้เราได้เป็นพระภิกษุสามนเณรขึ้นมาในพุทธศาสนานี้ mm hmm. เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว ก็จึงไม่ได้ประมาทพระสงฆ์ท่านที่บวชก่อนเราจรึงได้แสดงความเคารพร บ, นบน้อมด้วยดีแม้ว่าท่านจะว่ากล่าวตักเตือนอะไรเราก็ยินดีฟังถึงแม้ว่าท่านจะพูดผิดพูดพลาดไปเราก็ให้อภัยไม่ถือสาเพราะท่านมีคุณต่อเราให้นึกอย่างนั้นผู้บวชเข้ามาใหม่ ก็จึงค่อยอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้แล้วการประพฤติพรหมพจรรย์ก็จะเจริญรุ่งเรืองไปได้จะไม่เสื่อมถ้าหากว่าบวชเข้ามาแล้วไม่รู้คุณของพระสงฆ์ไม่รู้คุณของอุปชาอาจารย์ถือว่า เมื่อตนได้บวชมาแล้วตนก็มีสิทธิ์เสมอกับสงฆ์อย่างนี้แล้วลดแสดงอาการกระด้างกระเดืองไม่เคารพต่อสงฆ์อันนี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมอย่างแรงทีเดียวผู้ใดมีความเห็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกทางไม่ถูกธรรมไม่ถูกวิกนัยเพราะในวินยัยพระองค์ก็ทรงบัญญัติให้เคารพกันตาม ผู้บวชก่อนบวชหลังเนี่ในวินัยนั่นน่ะเมื่อเราเห็นท่านผู้เป็นผู้บวชก่อนหลายภรษาไอทาผิดทาพลาดลงไปอย่างนี้เราจะไปบอกเอาซึ่งหน้าอย่างนี้ก็ไม่ได้คือหมายความว่าพระผู้ที่ปุณนอาจารย์ของเราขึ้นไป นับแต่ห้าพันษาขึ้นไปอย่างนี้นะเมื่อเราเห็นว่าทรรมบุนั้นทำผิดพูดผิดอะไรไปเราก็ไปกลาบเรียนให้อุปชาอาจารย์ของทรรมบุญนั้นได้ทราบแล้วให้อุปชาอาจารย์นั้นตักเตือนเอาอย่างนี้จึงจะถูกต้องตามพระวินยัยผู้มีพันษา มากกลัวกันมากกลัวผู้มีผู้หนึ่งมีพนรษาน้อยกวัวผู้มีพนรษาน้อยทำผิดพูดผิดไปจากรมจากวินยัยก็มีสิทธิ์ตักเตือนกันได้แบบ น, นี้นะนี่นะทรงอนุญาตให้ตักเตือนได้ผู้ได้รับคำตักเตือนแล้วก็อย่าไปกระด้างกระเดืองต่อผู้ที่ตักเตือนนั้น อย่าไปนึ ก, กว่าอืท่านไม่ใช่ครูอาจารย์ของเราไม่ควรมาสอนเราอย่างนี้ก็อย่างว่านนเนี่ะอาจารย์มีถึงสี่ประเภทนู่นอาจารย์ผู้ให้อุปสมบทอาจารย์ผู้สวดกรรมวาจายอาจารย์ผู้สวดจ ต, ติจตุทุกกรรมนั่นเน่ะอาจารย์ผู้อสอนธรรมสอนวินัยให้นี่นะ แล้วก็อาจารย์ผู้ให้นิสัยนี่อาจารย์นะมียู่ีประเภทดังนี้ให้เข้าใจอาจารย์ผู้ให้ผู้รับเข้าหมู่นั่นเรียกว่าอุปัชายาอาจารย์ผู้ฝึกปรือคุณระบุผู้มีศรัทธามาขอบวชหรือไม่ฉะนั้นท่านก็มอบหมายให้ พระองค์ใดองค์หนึ่งไปฝึกปลืออย่างนี้แหละแล้วก็อาจารย์ที่สองได้แก่อนุสาวนาอาจารย์อาจารย์ผู้สวยดยัติหนึ่ง อ, อ, อนุสาวนาสามรวมเป็นยัติจตุถกรรมแปลว่ากรรมที่มีอนุสาวนาเป็นที่สี่ อันนี้อาจารย์ผู้สวดนะก็เป็นถือเป็นอาจารย์ของตนให้จำเอาไว้นะอ้ปวดเข้ามาใหม่อะใครเป็นผู้สวด ย, ตยตัติจตุทักรรมให้แกตนเน่ต้องจำเอาไว้ต้องเคารพอย่าล่วงเกินอุปสมบดากรรมอุปสมบัตอาจารย์คืออาจารย์ผู้ให้อุปสมบท หมายความว่าพระที่ไปนั่งหัตถบัตนะเมื่อพระอุปชายอาจารย์พเดียงสงว่าคุณระบุผู้นี้มีศรัทธามาขอบวชได้ฝึกขนอบรมให้สมมาสมควรที่จะบวชได้แล้วจึงมาแจ้งต่อสงถ้าเมื่อสงเห็นดีเห็นชอบ ให้บวชได้แล้วก็ขอให้นิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะทรงไว้ซึ่งความนั้นเมื่อสงนิ่งอยู่ไม่มีใครคัดค้านทักท้วงขึ้นในที่ประชุมสงนั้นก็จึงเป็นอันบวชใจแต่ถ้ามีพระองค์ใดองค์หนึ่งทักท้วงขึ้นว่าผู้ที่มาขอบวชนี่ไม่บริสุทธิ์ยังบกพ้่อง ต่อระเบียบของการบวชอย่างใดอย่างหนึ่งโยเมื่อเพื่อนที่แจงเหตุผลมามีหลักฐานเพียงพออย่างนี้ก็ต้องงดบวชไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนั้นเรื่องมานงะเพราะฉะนั้นจึงว่าพระที่เข้านั่งหัตถบาตในเวลาที่เราบวชครั้งแรกนะเป็นอาจารย์อีกจำพวกหนึ่งให้เข้าใจ อุเทศอาจารย์คืออาจารย์ผู้สอนทำสอนวินัยให้นี่นี่เป็นอาจารย์พวกหนึ่งเริ่มตั้งแต่สอนคำบวชคำอะไรต่ออะไรให้มาโดยลําดับตรงนีน้จนมาได้สอนนักธรรมอย่างนี้นะอก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นอาจารย์อีกจําพวกหนึ่งอืนิสัยอาจารย์ แปลว่าอาจารย์ผู้ให้นิสัยผู้ภิกษุที่มีพรรษาห้าขึ้นไปเนี่ยให้นิสัยแกภิกษุผู้มีพรรษาได้หนึ่งได้อยู่อย่างนี้แต่ผู้ภิกษุที่มีพรรษาหกเจ็ดขึ้นไปให้นิสัยแกภิกษุผู้มีพรรษาสองได้อยู่ ผู้มีพันษาเจ็ดแปดขึ้นไปให้นิสัยแก่พิกสุผู้มีพันษาได้สามได้อยู่พ <Yeah. S 1> ุกพิสุผู้มีพันษาเก้าพันษาสิบให้นิสัยแก่พิกสุผู้มีพันษาสีพันษาห้าได้อยู่ เพราะเป็นเถ ร, รเถระเป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้มั่นคงในพรหมจรรย์ขอสมควรทีเดียวอืมแต่ว่านั้นแหละผู้มีพันษาสิบขึ้นไปสึกษาลาเพศไปก็มีอืแต่ในพระธรรมวินัยท่านกักว่าผู้มีพรรษาสิบขึ้นไปนได้นามว่าเถระ แปลว่าผู้มีมั่นมีมีจิตใจมั่นคงอยู่ในพรหมจรรย์คงหมายเอาท่านผู้ที่ไม่ศึกษาลาเพศนั่นแหละนี่อาจารย์น่ะผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนาให้พึ่งจําอาจารย์สี่ประเภทนี่ไว้แล้วให้นึ ก, กว่าเรามีอาจารย์สี่คนนะว่างั้นหรือว่าสี่รูปแล้วเราต้องจําไว้ให้แม่นแล้วเคารพ อย่าล่วงเกินอย่าพานทะเลาะวิวาทอย่าแสดงอาการกระเดะกระด้างกระเดืองทางกายทางวาจาถ้าภิกษุผู้บวชเข้ามาใหม่มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์สี่จำพวกดังกล่าวมานี่ภิกษุเหล่านั้นก็จะเป็นผู้เจริญในพรหมจรรย์ยิ่งยิ่งขึ้นไป การศึกษาเราเรียนธรรมวินัยก็กคล่องแค่วดีการทำกิจวัตรอันใดก็เป็นไปได้การเจริญสมถะวิปัฒนาก็ย่อมเป็นไปได้นี่ให้พากันเข้าใจนี่แหละบวชเข้ามาแล้วเราต้องศึกษาให้รู้ระเบียบของการบวชอย่างนี้ มันจึงจะเจริญก้าวหน้าไปได้จึงเป็นบุญเป็นกุศลถ้าไม่ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็อย่างว่าเคยเห็นมานี่เมื่งเพีพระใหม่ไปทะเลาะกับอาจารย์ผู้สวดยติให้ก็มีอาจารย์ผู้นั่งปกผู้สอนธรรมวินัยให้ก็มีไม่เคารพยำเกรง แล้วสังเกตดู่ะผู้บวชเข้ามาเช่นั้นไม่เจริญอยู่ไม่ได้ใน菩萨ฐานนี้แต่บางองค์รู้ตัวแล้วว่าทนได้พระมาก็ไปขอขมาโทษท่านเสียอย่างนี้ท่านอาโหสิกรรมไม่แล้วโทษนั่นก็ยอมหมดไ ป, ออปพอพุทธพูมิจันทร์ก็เจริญไปได้เพราะว่าไม่ใช่เป็นโทษที่หนัก จนไม่สามารถที่จะอโหสิกรรมไม่กันได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเมื่อผูใ้ใดพังเผอได้ประ ม, มาทครูบาอาจารย์ดังกล่าวมานั้นแล้วรู้ตัวแล้วก็ขอขมาโทษท่านด้วยคำว่าอาจาริเยปมาเดนะตดวารัตเยนะกะตังสับบางอั ป, ปราทางคมัเมพันเตอย่างนี้นะอืม ถ้าแต่ท่านอาจารย์กระผมได้ร่วงเกินท่านอาจารย์ด้วยกายด้วยวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงมาขอขมาโทษต่อท่านอาจารย์ขอท่านอาจารย์จงอโหสิกรรมให้แก่กระผมผู้ประมาทได้ร่วงเกินท่านมาแล้วอย่างนี้นะเพื่อจะได้สำรวมระวังต่อไป ผู้ผู้ได้ผู้ได้ผู้รับคำขอขมาก็อาหังขมามิตยาปิเมคมิตับบังอตอบอย่างนั้นเออเราให้ขมาหรือว่าเราอุดโทษให้แก่ท่านอันเนี้ยขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญในพรมจรรย์ต่อไปเถิดอย่างนี้แล้ว โทษทั้งหลายก็ยอมระ ง, งับไปให้พากันเข้าใจอย่าไปยินดีสะสมโทษต่างๆไว้มันเป็นความมัวหมองมันไม่เจริญโทษเล็กๆน้อยๆต่างๆวะเนี้ยเมื่อเราแสดงต่อกันเสียแล้วเ่นแสดงอาบัตอย่างนี้หรือว่าขอขอมาโทษอย่างนี้นะแล้วมันก็หมดไปนี่ต้องให้เข้าใจ เข้าใจคำคาแสดงอาบัตเมื่อรู้ว่าตนได้เผลอร่วงสิกขาบทข้อใดข้อหนึ่งอย่างนี้นะซึ่งเป็นอาบัตเบาก็ไม่นิ่งนอนใจเลยต้องวันนั้นก็ไปขอแสดงอาบัตกับเพื่อนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในวันนั้นแหละพูดยัง เป็นภาษาไทยออกมาก่อนยิ่งดีผมต้องอาบัตสิกขาบทนั้นนะผมมาขอแสดงต่อท่านเพื่อความสํารวมระวังต่อไปเมื่อท่านอนุญาตแล้วเราก็แสดงอืเมื่อแสดงไปแล้วโทษนั้นมันก็หมดไปอย่างนี้นะบางคนเนี่ยตนได้ล่วงสิกขาบทไปแล้วถ้าจะไปขอแสดงอาบัตก็ กลัวเพื่อนจะติชินนินทาเอาว่าพิสษุนี่บำมาัเลินเลิกต้องแต่อาบัต์กลัวเพื่อนจะว่าเอานั้นละอายใจไม่กล้าไปแสดงอาบัตต่อผู้พิสษุรูปได้รูปหนึ่งนั่นเข้าใจผิดแหละมนั่ะ บ, บาปมันจะหมักหมมอยู่ในจิตใจไปมันเป็นอย่างนั้น อย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องน่าละอายอะไรเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องถอนโทษถอนบาปออกจากตนของตนโดยแท้จริงต้องให้เข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พากันมีสติสัมปชัญญะ สํารวมกายวาจาใจของตนเสมอไปทีเดียวแหละและก้กก็ขยันท่องํารลาจดจําธรรมวินัยให้ได้ดังที่ตักเตือนมานั่นแหละอย่าพากันประมาทเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้นะมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ ทางจิตใจก็ไม่บกพ่องปกตินว บ, บุญตกแต่งให้มาสร้างบุญกุศลสืบต่อนี่บุญกุศลอย่างแรงทรงให้เราได้มาบวชในพุทธศาสนานี่ถ้าไม่ถ้าบุญกุศลไม่มากพอมาบวชไม่ได้แต่ถ้าบวชมาเพียงได้บวชมาเท่านี้ก็ยังจะเป็นผู้ จเจริญรุ่งเรืองสื้อต่อไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องเรียนทมเรียนวิในจำให้ได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามทมตามวินัยนั้นให้กาศตกบกพร่องแล้วกิเลสตัณหาอันหยาบคายก็จะเบาบางไปในเมื่อบุคคลมารู้วินัยสารวมในวินัยด้วยดีแล้ว เช่นนี้ผมอาจารย์ของผู้นั้นย่อมเจริญรุ่งเรืองไปได้นี่ให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพอแต่บวชเข้ามาแล้วนึ ก, กว่าได้บุญแล้วตนนะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ที่มีอุปการะเลี้ยงดูตนมาเมื่อคิดอย่างนี้แลเข้ามาบวชพอบวชมาแล้วไม่ศึกษาเราเรียนธรรมวินัยอะไร อยู่เฉยๆเรื่อยๆไปความสำรวมก็ไม่เพียงพออย่างนี้นี่พิสุนั่นจะตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาไม่ได้เลยเพราะไม่มีคุณสมบัติไม่มีกุศลธรรมอะไรเกิดขึ้นในใจที่จะแผ่กุศลธรรมนั่น ไปให้แก่มารดาปิดาลุงป้านาอาหรือผู้มีอุปการะคุณอื่นๆได้องไม่มีนี่เมื่อไม่มีเจ้าเอาไปแบ่งให้เพื่อนได้ยังไงนั่นแหลคิดดูให้ดีเราต้องสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในดวงกิจนี้เสียก่อนเมื่อบุญกุศลเพียงพอรวบรวมบุญกุศลไว้ในใจ ได้แล้วเราก็นึกถึงท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นตน้นดังกล่าวมานั่นเนี่ยนึกถึงก่อนว่าท่านเหล่านั้นมีคุณมีอุปการะแก่เราท่านได้ให้กำเนิดเกิดเรามาท่านได้สอนวิชาความรู้ให้แก่เราแม้ความรู้ในทางโลกมันก็ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งสาคัญไม่น้อย ครูอาจารย์เขาควบคุมดูแลบังคับให้เรียนให้ท่องให้จำไม่เขียนเราก็จึงเขียนอ่านภาษาไทยได้หมนี้นะนึกถึงท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นแล้วข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้ากระทาบำเพ็ญอันเกิดจากสมาธิภาวนานี้ใ ห, ให้แกให้แกท่านผู้มี พราะคุณทั้งหลายมีมันดาบิดาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นขอให้บุญกุศลอันนี้จงไปดลบันดาลให้ท่านเหล่านั้นได้รับรู้ได้อนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่เข้าไเจ้าอุทิศไปนี่เมื่อท่านวายชนไปสู่โลกหน้าแล้วก็ขอให้บุญกุศลอันนี้ไปกระตุ้นใจ ให้ท่านให้จิตจินยาณของท่านผู้มีพระคุณเหล่านั้นได้รับรู้แล้วพอได้อนุโมทนาด้วยแล้วก็เป็นสุขเป็นสุขเถิดเราภาวนาในใจทำใจสงบระ ง, งับลงไปแล้วก่อนจะออกจากภาวนานะแล้วก็นึกถึงคุณููปการะ ของท่านผู้มีพวกคุณทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละแล้วก็อุทิศส่วนกุศลอันเกิดจากสมาธิภาวนานั้นให้ไปทุกครั้งนะที่ภาวนาอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเราบวชมาเพื่อตอบบุญแทนคุณค่าเข้าป้อนและน้ำนม แเ่มานดาบิดาผู้มีอุปการะคุณอย่างยิ่งและลุงป้าหน่าอาคูบาอาจารย์เจ้านายผู้มีพระคุณทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านผู้มีพระคุณเหล่านั้นทั้งหมดเลยเวยบุญกุศลอันเกิดจากทำข้อวัดปฏิบัติภายนอกต่างๆก็ดี ไหวพระถวดมนปัดกวดทำความสะอาดในลานวัดทำความสะอาดในศาลากา ร, รเรียนทำความสะอาดในห้องน้ำทำความสะอาดในที่อยู่ที่อาศัยของตัวเองและอุปชาอาจารย์หมนิกา่วนแต่เป็นบุญกุศลทั้งนั้นแหละเราต้องประมวลหรือรวบรวมเข้า ไว้ในจิตตรงเดียวนั้นนั่นแหละการทำจิตใส้รวมลงเป็นสมาธิชื่อว่ารวบรวมเอาบุญเอากุณทั้งหลายมาไว้ในจิตนั้นหมดเลยนะมหมดเลยดังนั้นหละเราจึงอุทิศน้ำจิตที่เป็นบุญกุศลนั้นไปให้แก่ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายดังกล่าวมานี่เป็นการตอบบุญแทนคุณ ถ้าเข้าป้อนและน้ำนมและถ้าอุปการะเกื้อคุณจากท่านผู้อื่นดังกล่าวมาแล้วนั้นเราถึงจะไม่มีหนี้บุญคุณติดตัวไปถ้าหากว่าบุคคลใดไม่คิดถึงคุณอุปการะไม่กระทําคุณงามความดีไม่อุทิศความดีนั้นไปให้แก่ท่านผู้มีพระคุณดังกล่าวมาแล้วนั้น ก็ชื่อว่าเป็นหนี้บุญคุณของท่านตลอดไปแหละอืมเกิดไปชาติใดก็จะต้องไปใช้หนี้บุญหนี้คุณท่านผู้มีอุปก า, าระคุณเหล่านั้นไปเกิดเป็นสัตว์พาหานะให้ท่านใช้ซ้อยเป็นเกิดเป็นคนมาแล้วก็กรรมมันกับบรรดาลให้ไปเป็นคนใช้ในบ้านนั้น เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละดังนั้นน่ะผู้ใดไม่ต้องการอยากจะทำชีวิตของตนให้ตกต่ำไปเป็นคนใช้เขาไปเป็นสัตภาณะของเขาอย่างนั้นแล้วก็ไอยพยายามภาวนาทำใจให้สงบให้ได้แล้วก็อุทิศส่วนกุศลความดี นั้นไปให้แกท่านภูมีพระคุณเหล่านั้นอาจจะถึงหรือไม่ถึงนั่นน่ะอย่าไปคํานึงอันนั้นมันเป็นเรื่องของอนุภาพแห่งบุญจะพึ่งทําหน้าที่เองไอเรานั้นมีหน้าที่อุทิศส่วนกุศลนั่นไปเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ท่องลังเนสงสัยแหละเราอุทิศไปอย่างนั้นแหละ หรือหมายความว่าเป็นหน้าที่ของเราผู้เป็นนี่บุญนี่คุณของท่านที่จะต้องกระทำอย่างนั้นส่วนท่านที่ร่วงรับไปสู่โลกหน้าท่านจะได้รับหรือไม่ได้รับก็อันนั้นก็แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยเพียงพอท่านก็ได้รับถ้าเหตุปัจจัยไม่เพียงพอก็ไม่ได้รับ แล้วบุญกุศลที่เราบำเพ็ญ น, นั้นก็ยอมกลับมาเป็นสมบัติของตนเมื่อผู้อยู่ปลายทางไม่ได้รับแล้วนะไม่ถูนหายไปไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนะี่ยขอให้พากันเพ่งพิจารณาให้เห็นดังที่ชี้แจงให้ฟังมานี่นะให้มันจำได้ในใจของตน อย่าฟังแล้วก็แล้วไปเลยไม่ใส่ใจไม่เอาไปคิดไปกรองไม่จดไม่จำอย่างนี้มันก็ไม่รู้แนวทางที่จะปฏิบัติเลยเมื่อไม่รู้แนวทางก็ปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ได้สำเร็จประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นเลยเพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจ ในชีวิตนี้เมื่อยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของจริงแล้วมันก็จะต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายเป็นหนี้บุญหนี้คุณท่านผู้มีอุปการะดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละอยู่อย่างนี้ได้สทกทนทรมาน ไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นดังนั้นเราทุกคนมาพยายามเปลื้องนี่บุญนี่คุณออกจา ก, กจิตใจของตนให้ได้ด้วยการภาวนาเจริญสมถะบีปัสสนาเพียรพยายามละพยายามละอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้เบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจแล้วบุญกุศลก็จะเจริญขึ้น ในจิตใจเราก็อุทิศส่วนบุญกุศลนั้นไปให้เป็นการตอบบุญแทนคุณท่านผู้มีอุปการะทั้งหลายแล้วเราก็จะได้พ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับเมื่อเราหมดนี่บุญนี่คุณเมื่อใดเราก็พ้นทุกข์ภายในวิาตรสงสารอันนี้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายดัง แสดงมา